เรียนธรรมะต้องขนกวายอองสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจะครูบาอาจารย์เราเป็นฝ่ายไปไปไกลมากเลยแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ใกล้ที่สุดนี่หลวงพ่อพุทธอยู่โคราชนอกนั่นไกลๆทั้งนั้นเลยแต่ละองค์นั่งรถทั้งคืนเลยเช้าแล้วบางทีไปต่อรถไปอีกกว่าจะถึงเนี่ยบางที บ่ายอีกวันหนึ่งมอโหเดินเข้าไปเลือกมากเลยเราอยากได้ธรรมะเราก็ควรขวายเอาเวลาเราตั้งอกตั้งใจแน่วแน่ไปเรียนลำบากตั้งใจจริงรู้สึกต้องเอาให้คุ้มนะเวลาที่เราเสียไปครูบาอาจารย์สอนอะไร น, นะจำไว้ก่อนพอคล้อยหลังท่านมาก็รีบ ม, มาจดไว เอาเทปไปอา่านก็ไม่ได้นะถูดัวท่านไม่นิยมเลยนะเอาไปอัดเสียงต้องใช้จำเอาที่ไปกันหลายหลยคนนะกลับมาคล้ายๆสังฆนาไปกันสี่หคนนะมาทบทวนกันนะท่านพูดว่าไงพูดประโยคนี้แล้วว่าไงต่ออะไรย่างนี้จดน้อยอุตสาห์จดไว้เยอะเลยนะปปึกๆเลยก็ ยายบ้านมัรู้ว่ามันไปไหนแนล้วงั้นจะมารวมเป็นเล่มได้อีกเล่มน่าฟังเวลาศึกษาธรรมะต้องตั้งใจจริงๆทุกวันนี้ง่ายไปเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วพอมันง่ายมันก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ว่างๆแล้วจะมาฟังไว้ว่างๆแล้วมาปฏิบัติอะไรที่ง่ายเกินไปไม่ดี ต้องลำบากซะบ้างถึงจะดีอย่างหลวงพ่ออยู่ที่นี่ก็ลำบากนิดหน่อยนะใกล้กว่าโคราชใกล้กว่าที่หลวงพ่อไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่ออยู่ที่นี่จากกรุงเทพนะแต่ให้ย้ายไปอยู่ในกรุงเทพเลยเพราะเรายิ่งขี้เกียจหนักเลยอย่างนี้เราต้องฝืนใจตื่นมาแต่เช้าเลยแค่ตื่นตีสี่บ้างมาเนี้ยมีไหมแค่ตื่นก่อนตีสีอีกมีไหม มูอยู่เนะเรียนธรรมะนะตั้งออกตั้งใจโอกาสที่คนคนหนึ่งจะได้ฟังธรรมะแท้ๆนั้นมีไม่มากแล้ธรรมะแท้ๆฟังแล้วนะเอาไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้ปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากจิตใจได้ต้องล้างกิเลสได้ต้องกําจัดความทุกข์ออกจากใจได้ถึงจะเป็นธรรมะของจริง ทำมารูปรูปคลำๆฟังแล้วไม่ลดละกิเลสใช้ไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์เหมือนเดิมใช้ไม่ได้ของเก๊ถ้ารู้หลักการปฏิบัติให้แม่นยำนะแล้วขยันปฏิบัติก็จะได้ผลมันจะไม่ยากเกินไป ธรรมภาพภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนพวกเรานมันพ อ, พอดีพอดีสำหรับคนธรรมดาธรรมดาคนปานกลางไม่ต้องเก่งกาจจีเนียสผิดมนุษย์มานาหรอกคนทั่วๆไปธรรมดาธรรมดานี่อย่าโง่ผิดธรรมดาก็แล้วกันอย่าไม่ต้องฉลาดเกินธรรมดาคนทั่วๆไปนี่แหละถ้ามีความตั้งใจนะฟังให้ดีพอเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วลงมือทา ให้สมควรแก่ธรรมะไม่อฟังเล่นๆไม่ได้กินหรอกไม่ลดละกิเลสถ้ารู้หลักแม่นยำแล้วลงมือทําให้สมควรแก่ธรรมเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเองในเวลาอันสั้นใช้เวลาไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองเคยถูกกิเลสครอบงำแล้วไม่รู้เท่ารู้ทันกนะ็จะเริ่มรู้ทันกิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้ศนะีลดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้น ปัญญาก็ค่อยพอกผุนไปเกิด ค, ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของขันเรื่องของธาตุเรื่องของอายตนะเรื่องอินทรีเรื่องปฏิจจสุบาทเรื่องอริยสัจ mm hmm. แจ่มแจ้งในเรื่องเหล่านี้เรียกว่าวิปัสสนาภูมิขันธาตุอายตนะอินทรีปฏิจจสุบาทอริยสัจฟังแล้วตั้งหกอันย่อลงมาก็คือรูปนามนั่นเอง มาเรียนเรื่องรูปธรรมนามธรรมนะของตัวเองเรียนจนมันเห็นความจริงมันไม่มีตัวเราจริงๆมันไม่มีตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่อาศัยจิตวิปลาสจิตวิปลาสคือคิดผิดสัญญาวิปลาสหมายผิดทิฏฐิวิปลาสเห็นผิดให้สะสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเห็นผิดว่ามีตัวมีตนขึ้นมามันมาจากคิดผิดกัน มีคิดผิดหมายรู้ผิดผิดคิดผิดก็เลยรู้สึกสานึกผิดผิดเห็นผิดเม่สะสมแต่ความเห็นผิดมาตลอดในสังสารวัตรนี้ความเห็นผิดนี่แหละเป็นกิเลสที่ร้ายที่สุดเลยความเห็นผิดนี่ชื่อว่าอวิชชาครอยฝึก มีศีลขึ้นมานสู้กิเลสหยาบๆได้ที่ทําให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่เรียบร้อยมีสมาธิขึ้นมานสู้กิเลสอย่างกลางหรือพวกนิวรณทั้งหลายที่ทําให้จิตไม่เรียบร้อยมีปัญญานะสู้กับความโง่ความไม่รู้ความเข้าใจผิดเป็นกิเลสที่ละเอียดที่สุดงั้นเราฝึกสิ่งที่ได้คือหายโง่ ไม่ใช่ฝึกแล้วได้อะไรมาไม่ได้ฝึกเราเสียอะไรไปไม่ใช่ว่าฝึกไปสำเร็จนะเราวเสียขันห้าไปเราไม่ได้เสียขันห้าขันห้าไม่ใช่ของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ฝึกเราได้มรรคผลนิพพานมาได้ครอบครองพระนิพพานเป็นเจ้าของพระนิพพานฝึกแล้วไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปได้ความรู้ความเข้าใจเสียความโง่ ывать. เงินเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาจริงๆคือตัวสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองความเห็นถูกถ้ามีความเห็นถูกนะก็คิดถูกหมายถูกมันไม่ยากอะไรหรอกนะทุกวันนี้จมอยู่ในความทุกข์เพราะคิดผิดนะหมายผิดเห็นผิดนะมาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันให้มากนะถ้าไม่มีการเรียนรู้ความจริงของธาตุของขัน องอายตนะของกายของใจของรูปของนามอะไรพวกนี้ยังไม่ชื่อว่าจเจริญปัญญาเลยถ้าไม่ได้จเจริญปัญญาล้างความเห็นผิดไม่ได้ปัญญาเป็นตัวล้างความเห็นผิดศีลทําให้กายวาจาเรียบร้อยสมาธิทําให้จิตใจเรียบร้อยปัญญาทําลายความเห็นผิดทําให้เกิดความเห็นถูก งั้นถ้าใครเขาถามเรานะว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะตอบไปอย่างองค์อาจก็อาหารเลยนะสมาธิินะสมาธินะี่คือพระพุทธศาสนาเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างเราพยายามฝึกตัวเองนะจะลดละกิเลสด้วการบังคับตัวเองนั่งสมาธิไหมจิตมีราคะนะทำสมาธิทําความสงบพิจรารณาปฏิกูลพิจนาอาสุภะอะไรเนะี่ ม่ค่มราคาได้ชั่วคราวเดี๋ยวราคาก็มาใหม่มีโทสะเจริญเมตตาไปจิตสงบสบายเดี๋ยวโทสะก็มาใหม่ฟุ้งซ่านมาอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจไปจิตสงบอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่เป็นแก้ไม่ได้จริงแก้ได้ชั่วคราวขมได้ชั่วคราว แต่ถ้าล้างความเห็นผิดได้จิตที่หมดความเห็นผิดนะจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกไม่ยึดถือทั้งตัวเองไม่ยึดกระทั่งจิตจิตไม่ยึดจิตจิตไม่ยึดจิตเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ฉความเห็นถูกนะทำให้ปล่อยวางังไม่ยึดถืออีกถ้าไม่ยึดถืออีกแล้วเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าไม่ต้องนั่งแก้มันเลวไปไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ใช้ศีลใช้สมาธิใช้สติอะไรพวกนี้ก็สู้กับความเร็วได้เป็นคราวๆถ้าปัญญาแจ่มแช้งรู้ตัวถึงในขันห้าในธาตุในอายตนะรู้ตัวถึงแล้วในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูของกูรู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี ก็ล้างความเห็นผิดเมื่อมีตัวเราไปรู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งสิ่งที่มีอยู่นั้นมีแต่ทุกถ้ารู้ว่าสิ่งที่มีอยู่มีแต่ทุกรูปนามนี้มีแต่ทุกขัน5อายตนะหกธาตุ18อิน 4, รทรีย์22ิบสปฏิจจสุมปบาติบ2อง2ิอเป็นย4่สิอริยสัจอีก4นีะ่ฟังเราเยอะจริงรูปธรรมกับ น, นามธรรมา ท, ท่านเอง ถ้ารู้ทั่วถึงแล้วว่ารูปธรรมนามธรรมนี้เป็นตัวทุกข์จะสลัดคืนจะไม่ยึดถือรูปธรรมนามธรรมนี้อีกมันทิ้งของมันเองงั้นการเจริญปัญญานะมันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งล้างความเห็นผิดขั้นตอนที่สองจะล้างความยึดถือจะล้างความเห็นผิดไปก่อนว่าขันห้าเป็นตัวเราอายตนะหเป็นตัวเรา ธาตุเป็นตัวเรายินทรีย์เป็นตัวเราเห็นว่าไม่มีตัวเรามีแต่รูปธรรมนำมารมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ตรงที่เห็นว่าไม่มีตัวเราเป็นพระโสดาบันเที่ยงที่วันหนึ่งจะตรัสรู้วันหนึ่งจะต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนอาเจียเจ็ดชาติขั้นที่สอง เรียนรู้รูปนามต่อไปจะเห็นเลยมันมีแต่ทุกขล้วนๆเลยที่แรกเห็นว่ามันไม่มีตัวตนนะแต่คำว่าไม่มีตัวตนไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยเพวกมิชาทิฏฐิชอบพูดว่าไม่มีอะไรเลยพวกไม่มีอะไรเลยเรื่องพวกนัติกาทิฏฐิเป็นมิชาทิฏฐิพวกหนึ่ง ถ้าไม่มีอะไรเลยไม่ต้องปฏิบัติทมศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเอาเนี่ยบอกไม่ยึดอะไรซัอย่างแต่ยึดความเห็นอันนี้ลดล้างกิเลสไม่ได้ลดล้างกิเลสอะไรไม่ได้เลยถ้าโสดาบันนั้นเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่ได้ขันห้าไม่มีมันมีแต่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นของโลก มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช้ตนที่แท้จริงของเราต้องระวังนะได้ยินคาว่าอนัตตานัตตาไปแปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่เป็นไปตามใจปรารถนานะปราศจากตัวตนตัวกูที่แท้จริงไม่มีอนะย่าไปแปลมากง่ายนะว่าขันห้าไม่มี ว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่านั้นมันมิชาทิฏฐิมันมีแต่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมเป็นสมบัติของโลกยืมโลกมาใช้ทั้งหมดเลยทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนี้มันมีเหตุมันเกิดมันหมดเหตุมันดับมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาเนี่ยพระโสดาบันเห็นตรงนี้นะไม่ใช่เห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเลย ขันห้ามีอยู่แต่ไม่มีตัวตนถาวรเพราะอะไรขันห้าเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่เป็นอมตะ อ, อยู่เลยจิตของเราเองก็เกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาไม่มีจิตที่เป็นตัวตนถานวรพรากมีจฉาทิฏี่จะเห็นว่าจิตเที่ยงจิตเป็นตัวตนถาวรจิตของเราวันนี้กับจิตของเราชาติก่อนนี่ยังเป็นคนเดิมจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราชาติหน้าก็าเป็นคนเดิม นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแท้จริงสภาวธรรมมีอยู่ถ้ามันมีเหตุสภาวธรรมหมดไปถ้ามันหมดเหตุมีแต่เกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆถึงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรนี่โสดาบันจะเห็นอย่างนี้นะเรามาเรียนรู้ความจริงของขันธ์ของธาตุของอายตนะนี้เรียนเข้าไปเลยจะเห็นใน ร, รูปประานามธรรมา ท, ทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนถาวร ได้โสดาบันแล้วนะมาเรียนรู้ขันห้าต่อไปวิธีเรียนรู้ขันห้าก็เรียนเหมือนตอนที่จะเป็นพระโสดาบันนั่นเองการปฏิบัติเพื่อบรรลุพระละหันกับการปฏิบัติเพื่อบรรลุพระโสดาบันนั้นใช้วิธีเดิมนั่นแหละแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมเบื้องต้นมันล้างความเห็นผิดเกินว่ามีตัวเราได้กนะ็จะเห็นอีกสภาวะทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมานะนะั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สภาวะทั้งหลายที่มันมีอยู่นะนะั่นแหละ มันหาสาระแก่นสารไม่ได้ไม่ควรเกี่ยวกับการยึดถือเลยบางท่านเห็นว่ามันหาสาระแก่นสารไม่ได้เพราะมันเห็นความไม่เที่ยงของมันมันมีแล้วมันก็หายไปมันมีแล้วมันหายไปเอาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้บางท่านเห็นว่าขณะที่มันยังไม่หายไปมันก็เป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีของวิเศษนี่ท่านเหล่านี้เห็นทุกข์ก็เลยไม่ยึดถือเพราะเห็นทุกข์พวกแรกนั้นเห็นว่า มันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้พวกนี้เห็นอนิจจังพวกที่สองนะเห็นมากขึ้นเห็นเลยว่าตอนที่มันยังไม่ไปมันยังมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษมันเป็นตัวทุกข์มันถูกบีบคั้นถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปธรรมนามธรรมนี้ในสุดพอเห็นแจ่มแจ้งนะว่าไร้สาระเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์สลัดคืนให้โลกไป บางท่านก็สลัดด้วยการเห็นอนิจจังบางท่านก็เห็นทุกขังบางพวกเห็นอนัตตาเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยนะรู้สึกไร้สาระเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วไอ้สิ่งนี้นะมันแปรปรวนตลอเวลามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับเลยความสุขก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้นะความทุกข์ก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้อะไรๆก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลย มันบังคับไม่ได้เสอย่างเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งได้ไงเอาของเป็นทุกข์มาเป็นที่พึ่งได้ไงนะเอาของซึ่งจับต้องไม่ได้แท้จริงเอามาเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้อีกงินบางคนนะปล่อยวางขันห้าได้เพราะเห็นอนิจจังพวกนี้ส่วนมากพวกศรัทธามากคนที่ศรัทธามากเนี่ยจะมาตรฐานสูงทุกอย่างมีมาตรฐานหมดเลย อะไรผิดมาตรฐานนิดเดียวยอมรับไม่ได้ล้หวังว่าขันห้าจะเป็นของดีของวิเศษเห็นมันเกิดแล้วมันดับแค่นี้นิดเดียวแค่นี้ทนไม่ได้แล้วยังไม่ทันจะเห็นทุกข์เลยนะเห็นแค่มันเกิดแล้วดับมันแค่นี้ทนไม่ได้แล้วผิดมาตรฐานแล้วโยนทิ้งเลยไม่เอาพวกนี้ไปง่ายเลยพวกศรัทธาอีกพวกหนึ่งจิตทรงสมาธิสูงเห็นลงไปในธาตุในขันนะ ธาตุขันเจ็บป่วยทําสมาธิเข้นมาหายเจ็บหายป่วยได้ด้วยเออไม่ปวดไม่เมื่อยจิตใจนะทรงสมาธิอยู่มีแต่ความสุขแทนที่จะเห็นทุกข์นะกลับเห็นความสุขไม่ยอมปล่อยวางหรอกเพราะว่าเห็นว่าจิต น, นี้แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงถ้าจิตอยากจิตยึดจิตจึงทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์มีเห็นอย่างนั้นะ วันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบพอนะพระธรรมก็ช่วยไหวตัวจิตมันพลิกตัวปับมันจากตัวสุขบรมมาสุขนะกลายเป็นตัวทุกบำลมมาทุกไปเลยนะไม่มีอะไรทุกเหมือนจิตเลยขันนี้ร่างกายนี้เห็นเป็นทุกไปก่อนนะปล่อยวางกายก่อนกลกลายเป็นทุกไม่ปล่อยจิตนะเห็นว่าจิตนะไม่ใช่ตัวทุกกายนี้เป็นตัวทุกแต่จิตไม่ทุกเพราะจิตนี้ จะทุกข์ต่เมื่อมีความอยากมีความยึดก็จะมีความทุกข์งั้น จ, จิตทรงตัวเด่นดวงไม่อยากไม่ยึดอะไรนะทรงตัวเด่นดวงอย่างนั้นรู้สึกไม่ทุกข์เลยอสติปัญญากแก่รอบพอ่อมันไหวตัววับเดียวนะจากตัวสุขกลายเป็นตัวทุกข์ทุกข์ที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรทุกข์เท่าจิตเลยบอกพวกเราฟังเล่นไว้ก่อนเนาะ ในสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีอะไรทุกเท่าจิตเลยจิตนี่แหละทุกที่สุดเลยถ้าก่อนจะถึงจุดนี้นะในสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรสุขเท่าจิตเลยอยู่กับจิตนี่แหละมีความสุ ข, ขที่สุดเลยนะเนี่ยถ้าคนที่ทรงฌานสมบัติอยู่นะจะหลุดพ้นไปด้วยการเห็นเห็นทุกขจิตนี้เป็นตัวทุกนะมันสลัดทิ้งเลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ละ ส่วนพวกปัญญาแก่กล้าเเห็นอนัตตา เ, เห็นจิตนั้นเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจนะแค่นี้ก็เบื่อสยิดเสียเียนแนละ้วมันเอาไว้ไม่ได้นะโยนทิ้งไปเลยพวกนี้ถอนทิ้งง่ายๆนะไม่ไม่ค่อยสวิงสวายนะเห็นไหมมันมาจากปัญญาทั้งนั้นเลงปัญญาเบื้องต้น เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะธรรมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนถาวร น, นี่ขั้นที่หนึ่งงันโสตาปฏิมักเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยการล้างความเห็นผิดไปมีด้วยทัศนะเกิดยานทัศนะเกิดการเห็นถูกงั้นโสตาปฏิมักเนี่ยเกิดด้วยทัศนะนะ สักชาคามีมากอนาคามีมากอรหัตามักเกิดจากภาวนาการเจริญปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เรื่องการเห็นผิดแนละ้วแต่มันเป็นเรื่องทำลายความยึดถือจะทำลายความยึดถือได้นะต้องภาวนาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรียนรู้ความจริงให้แก่รอบพอรู้ความจริงแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์มันจะปล่อยนะเบื้องต้นจะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ก่อน หเห็นกายเป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางกายเป็นพระนาคามีการปฏิบัตินั้นจะมาตกลุมบ่ลงมาที่จิตดวงเดียวเลยตัดจากนั้นแล้เห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซ้ํเข้าไปอีกปล่อยวางจิตได้ถึงที่สุดแห่งทุกตรงนั้นไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกต่อไปเพราะปัญญ า, พ ร, าพระพุทธเจ้าถึงสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาฉะนั้นจะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะ พระอาจาไม่เคยบอกว่าจิตของทุกคนบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยพวกมีฉาติถนะิชอบประกาศว่าจิตของเราดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมันดีอยู่แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องทำอย่าไปคิดนึกอย่าไปปรุงแต่งตรงที่พยายามไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นแหละปรุงแต่งเรียกว่าปรุงแต่งอานเนชชาพิสังขารปรุงแต่งความไม่มีอะไรปรุงแต่งความว่าง ทำไมต้องไปนั่งปรุงแต่งนะเพราะว่าวิชามันครอบงำอยู่เพราะความเห็นผิดอยู่จิตนี้ไม่ได้บริสุทธิ์อยู่แล้วนะจิตนี้ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจิตของเรานะั้นเจือปนด้วยกิเลสมาตลอดเวลาเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิเลสแรงๆผ่านมานะจิตมันผ่องใสผ่องใสกับบริสุทธิ์นั้นไม่เหมือนกันน้าใสไม่ใช่น้าบริสุทธิ์น้าใสเพียงแต่ว่าอย่างเราใครเคยใช้ตุ่มน้าแบบโบราณมีไม เวลาใช้ไปนานๆมันจะมีตะกรันนึกออกไหมเวลาน้ํานิ่งๆน้ําใสไหมน้ําใสน้ําบริสุทธิ์ไหมยังไม่บริสุทธิ์ถ้ามีอะไรผัสสะมากระทบเอามือไปแปรง ๆ, ๆเขาตะกรนขึ้นมาอีกเนี่ยพวกที่บอกว่าจิตมันดีอยู่แล้วนะจิตประคองมันไว้อย่าไปคิดอย่าไปนึกอย่าไปปรุงมันอย่าไปแต่งก็คือพวกรักษาน้ําในตุ่มนั่นแหละนะจิตไม่ได้บริสุทธิ์ประพัดสอนไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ คนละคำกันพระพัดสอนพระผ่องใสผ่องใสเพราะว่ากิเลสยังไม่จอนขึ้นมาจากก้นตุ่มก้นตุ่มของเราคืออะไรอนุสใสอนุใสคือมันนอนเนื่องกิเลสที่มันสะสมอยู่อาสะวะอนุสัยกิเลสชล ะ, ะเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ก้นตุ่มน้ําคืออยู่ในผวางขจิตของเรานี่สะสมมาตลอดไม่หายไปไหนหรอก ฉะนนต้องมาเจริญศีลสมาธิปัญญานะเป็นเครื่องมือต่อสู้ต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลกายวาจาไม่เรียบร้อยใจไม่สงบไม่มีสมาธิถ้าจิตใจไม่มีสมาธิไม่สงบไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้ถึงแม้เราจะถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาก็จริงแต่ปัญญามีไม่ได้ถ้าไม่มีศีลและสมาธิเป็นฐานรองรับ สมาธิอยู่ไม่รอดถ้าศีลไม่มนะีงั้นเวลาที่พวกเราปฏิบัติเราต้องปฏิบัติตรศิกขานะเรียน3อย่างนะเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตใจของเราจนะจิตสงบจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาแล้วมาเรียนวิธีเจริญปัญญาเรียนรู้ไปจนกระทั่งเห็นความจริงของาธาตุของขันธนะนะ์ของอริยตนะของอินทรีย์ของปฏิจจสมุปบาทของอริยสัจก็คือรู ป, ปรนามนั่นแหละ รู้ความจริงเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้มันไม่ใช่ตัวเรามันมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่มันไม่ใช่เราเพราะมันเป็นไปตามเหตุถ้าจากนั้นจะเห็นเลยไอ้ของที่มีอยู่นี่แหละมีแต่ทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไป งั้นที่ภูมิทําสูงขึ้นสูงขึ้นนะท่านเห็นเไ อ, อ้ของที่มีอยู่นัน่ะเป็นของไม่ดีของไม่วิเศษพระสโสดาเห็ น, นเไอ้ของที่มีไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ใช่ตัวเรามีแต่ไม่ใช่เราแล้ไอ้ของซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เราเนีน่ะเป็นตัวทุกุรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเข้าเข้าใจธรรมเรียนรู้อริยสัจแจ่มแจ้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ลาสมุทัยเมื่อนั้น ราสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือพันนิพพานเมื่อนั้นแจ้งนิพพานเมื่อไหร่อริยมร ก, ก็เกิดในขณะนั้นแหละงั้นจิตในอริยสัจสี่นะรู้ทุกราสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรกนะีเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองนะในขณะแห่งอริยมรกนะเป็นเรื่องอัศจรรย์นะธรรมะต้องเรียนเอาต้องปฏิบัติเอานะให้สมควรจะทำแล้วถึงจะทําทได้ แต่ต้องระวังมิจฉาทิฏฐิเต็มบ้านเต็มเมืองจิตดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องมีศีลมีสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นของปรุงแตง่งพ้นความปรุงแต่งเลยศีล ส, สมาธิปัญญาไม่เอาไม่ต้องปรุงแตง่งไอ้ไม่ปรุงแต่งนั่นแหละเป็นความปรุงแตง่งชื่ออาเนนชาพิสังขารคือความปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะงั้นอย่านอกฤิดนอกรอยนะภาวนาไปตามหลักที่พระเจ้าสอน แล้วเราจะเห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในเวลาสั้นไม่นานต้องสั้นด้วยไม่ใช่ทํามา10ปีแล้วเหมือนเดิมไม่ได้เรื่องหรอกทาผิดแน่นอนในอย่างนั้นนะหรือว่าทําถูกแต่ว่านานๆทาทีบอกเนี่ยปฏิบัติมา20ปีแล้วถา ม, ม่าแต่ละวันปฏิบัตินานเท่าไหร่3นาทีอย่ามาอวดว่ายีปีเวลาที่เหลือกิเลสเอาไปกินหมดนะปฏิบัติทาให้สมควรแก่ทำนะ ธรรมาไม่หนีไปไหนหรอกเราจะได้ธรรมะมาครอบครองให้เต็มหัวใจเราให้มันอิ่มมันเต็มนะมีความสุขไม่ว่าจะมีอะไรมาเทียบเลยทิ้งไปหมดเลยเหมือนได้ครอบครองยิ่งกว่าสมบัติจั ก, กรพรรดิอีกนะอ้าเชินไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ